พระธรรมเทศนาแผ่นที่106ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22ธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าสร้างเจดีที่ใดก็จุดประสงค์เดียวกันวันนี้เป็นวันพระรหัสที่2ี่ ธันวาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน1เนมื่อกี้ในหลวงพ่อได้เมื่อวานในหลวงพ่อได้ไปกราบงานจลีละของหลวงปู่วัดโพธิสมพร แล้วก็ได้นําผ้าไตรไปถวายท่านให้พระท่านจัดไป20ไตรเมื่อวานแล้วก็ผ้าไม้อีกส0บไม้แล้วก็ได้ไปถามถามไทยว่างานหลวงปู่เป็นยังไงก็รู้สึกว่าคนล้นหลามนะคนมากเพราะอยู่ในเมืองแล้วก็เพราะพร้อมกันก็จะตุปใจก็ศรัทธาญาติโยมก็ ถวายอุ่นหนาฝาข้างพอสมควรอยู่แต่กําหนดหมายกําหนดหรือว่างานพระราชทานเพลิงสริและสังขารของท่านยังไม่ยังไม่ได้ยัง ไ, ไยงไม่ได้บอกเพราะว่าจะเตรียมสถานที่พอเตรียมสถานที่เสร็จแล้วก็คงจะกลาบบังคมทูลพระองค์ไหนเจ็เสด็จมาพระราชทานเพลิงสริและสังขารของหลวงปู่ คณะกรรมการกำลังจะไปชุมหาหรือกันอยู่อย่างไม่ตกลงแต่ถึงยังไงหลวงพ่อกขาเลยถามว่าคงจะผ่านร้อยวันทำบุญร้อยวันหลวงปู่สะก่อนจากนั้นเขาให้พระ อ, องค์หาวันเวลาที่จ ะ, ะมาพระราชทานเพลิงสริละสังขารแต่การสถานที่ ก็ยังไปตกลงกันว่าจะเอาที่ตรงไหนที่หลวงพ่อไปพูดไปถามเมื่อวานนี้นะได้ความอย่างนี้แหละเรื่องงานหลวงปู่แต่ก็ไปด้วยความราบรื่นรเรียบร้อยดีอยู่แต่ว่างานใหญ่ธรรมดางานใหญ่ความขัดแย้งแลวความเห็นเนี่ยมันต้องมีแหละไม่มากก็ต้องน้อย แต่ถึงยังไงทุกคนทาเพื่อองค์หลวงปู่ไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่น อ, อ, อันนี้เป็นงานหลวงปู่หลวงปู่ไม่ใช่ของเราคนเดียวเป็นของสาธารณะและเอกอย่างหนึ่งต้องฟังพระสงฆ์พระสงฆ์ที่อยู่ภายในพระสงฆ์ท่านต้องการอย่างไรเราเป็นฆราวาสญาติโยมเราก็ามาจัดการบ้านของเราเลือนของเราครอบครัวของเรา หรือหน้าที่การงานของเรามีตำแหน่งอันนั้นคือให้รู้จักสถานะถ้าว่าเป็นเรื่องของพระก็มอบอให้เรื่องของพระช่วยกันคิดเป็นเสียจะพระคิดไม่ได้ถ้าพระคิดไม่ได้เออญาติโยมช่วยเขาไปคิดถ่าว่าพระ ท, ท่านบริหารจัดการได้อยู่ญาติโยมกเม็เป็นผู้ตามเป็นผู้ตาม เหมือนกับพระเป็นช้างเท้าหน้าญาตโยมเป็นทางเช้าหลังเท้าหลังอย่างนั้นนะแต่ถ้าช้างตัวไหนก็ตามเออเอาขาหลังกระโดดไปขาหน้าแซงขาหน้านะช้างตัว น, นั้นเป็ว่าช้างพิการเออเอาขาหลังแซงขาหน้าเพราะนั้นพระที่อยู่ภายในคือคือช้างเท้าหน้าศรัทธาญาตโยมคือทางเช้าหลังเท้าหลัง แต่เดี๋ยวนี้มันแปลกเหมือนกันนะซ้างเท้าหลังนะ่าจะแซงซ้างเท้าหน้ามันก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะนั้นเว้นเสียแต่มันไม่เป็นศีลเป็นธรรมถ้าไปเป็นศีลเป็นธรรมก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้แซงไปเพื่ออยากจะได้ลาบอยากจะได้ยศ อ, อยากจะได้สัดเส ร, ริญอยากจะได้ตรงง อ, นะ อ, อพวกเราคงจะรู้ตรงงอนะคืออะไรงอตัวนี้นะมันสําคัญมากนะ เข้าไปอยู่ในวงการไหนวงการนั้นเน่ยยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดนะงอตัว น, นี้นะเพราะมันไม่ตรงมันงอฮนะมันงอมันขอมันงอนะฮะจากนั้นพอหลวงพ่อได้ไปกราบหลวงปูล่ลีกุสระทาโลภูผาแดงพอไปถึงท่านก็อยากไม่ออกจากห้องท่านพักผ่อนโดยมากลงถามพระท่านบอกว่าพระหลวงปู่ท่านจะพักกลางวัน แหลกเหมือนกันผู้สูงอายุทั้งหลายพอกลางวันนี่นอนหลับพอตกกลางคืนตาใสแป๊วจะนอนไม่ค่อยหลับกระปรงจะเป็นเพราะกลางวันกลางวันนอนจนพอแรงแล้วจะให้กลางคืนนอนหลับคงจะหลับไม่ได้คงจะลักษณะอย่างนั้นแหละแต่พากลางคืนคนแก่จะนอนไม่หลับพวกเราไ้สังเกตสังเกตตัวเองนะใครใครเริ่มแก่นะ แต่กลางวันเนี่ยนอนหลับตาปื้อในหลวงปู่เมื่อวานก็เข้าไปพวกเราเข้าไปกราบคารวะท่านอพอจะออกมาเราคิดว่าหลวงพ่อก็จะออกมาแล้วไม่รบกวนท่านหรอกเพราะท่านพักผ่อนในเมื่อท่านพักผลล่อนเราจะไปกวนท่านได้ยังไงเราก็กราบทางนอกกุฏิของท่าน่จะกลับมาแล้วพระเขาบอกว่าท่านตื่นแล้วครับท่านหลวงพ่อวจากนั้นเราก็เลยเข้าไปกราบคารวะท่าน แต่ตามไม่จริงถึงท่านจะตื่นหรือไม่ตื่นเราไปขาวเนี้ก็คิดว่าจะเอาจะตุบปั จ, จัจไปถวายท่าน เ, เพื่อรวมสร้างพระเจดีย์ของหลวงปู่เพราะว่าเราถวายมาเป็นลําดับลําดับเมื่อกระถินผ่านไปแล้วนะเราก็าคิดว่าจะเอาเงินกระถินส่วนนึงจะเข้าไปสมทบเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์จ้างเจดีย์ของ ที่องค์หลวงปู่ปลาลบขึ้นที่ผาแดงเพื่อสร้างถวายองค์หลวงตามหาปัวนะที่หลวงปู่สร้างขึ้นมาแล้วก็เราก็ได้สมทบไปแล้วนะวัดของเราเนะี่ยสมทบไปต่างกลัมต่างวาระสี่ล้านกับห้าแสนแต่หลวงพ่อก็จะให้มันเป็นตกลมให้มันเป็นห้าล้าน พอางาเงินกระถินของเราได้มาลวเราก็คิดว่าจะเอาไปสมทบอีกสักห้าแสนก็เป็นห้าล้านดังนั้นหลวงพ่อยังเลยเตรียมพอปีที่พอกระถินเสร็จพอเดือนตุลากระถินเสร็จน้ำก็มาท่วมวัดเราเลย <c oughs> ก็เลยสังกักเงินไปพอสมควรจบไปพอสมควรแต่ถึงยังไง มันไม่ไม่ท่วมน้ําใจเราที่เราจะถวายท่านอมันท่วมแต่วัดเอาเถอจะถูกปัจจัยที่เราได้เตรียมตั้งใจไว้แล้วนะวัดเราได้ตั้งใจไว้แล้วเราก็ควรจะถวายองค์ท่านร่วมสมทบเพื่อสร้างเจดีย์ของหลวงปู่ณนเะมื่อวานกันเลยได้เอาไปสมทบห้าแสนรวมแล้วก็เป็นเงินที่วัดของเราร่วมสมทบหลวงปู่นะ ประกาศให้สัตยา ญ, ญาณโยมลูกหลานได้ทราบไม่ใช่เงินหลวงพ่อนะเงินของวัดนาคำน้อยคณะสัตทา ญ, ญาโยมทำบุญผ่านวัดเรานะี่นะรวมสมทบต่างกล้ำต่างวาระรวมแล้วเป็นเงินห้าล้านบาทที่ถวายท่านหลายครั้งต่อหลายโหนะทั้งละห้าแสนห้าแสนห้าแนแต่ในเงินก็ถินมาปีนี้เราก็เอาสมทบคัวปีดไปว่าครบที่ตั้งใจต่อไปนี้ก็คงจะ มุนไปทางเจดีย์ของหลวงตาแล้ท่เนี่ยพอหลวงตาเนี่ยยังหนักอยู่ยังยังตั้งใครอยู่เจดีย์ของพ่อนะจุดนั้นนะอันนี้ของของหลวงปู่เรียงของพ่อไม่ใช่หลว ป, ปู่เรีท่านก็สร้างเพื่อบูชาพระคุณหลวงตานั่นแหละแต่สร้างที่วัดของท่านแต่นี่เราจะไปสร้างที่วัดของหลวงตาเลยนี่แหละเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้ถวาย พวกเราคณะสธาญาติโยบทุกหมู่ทุกเราที่ได้ยินเสียงหลวงพ่ออนุมัตนาสาธุนาสร้างเจดีสร้างสถานที่สครบสักการะสร้างถูถูประหะพระเจดีเพื่อบรรจุออพระธาตุอธิธาตุพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระธาตุของพระหรันตสาวกออบนพระเจดีแลก็พร้อมกัน ปีนี้เนะี่ยในระยะไม่ห่างไม่ห่างกันวัดเราก็ไดนนะ้ได้ร่วมให้ได้บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลคำเชอีอีที่หลวงพ่อได้พูดมาสามแสนห้าเราก็มอบไปแล้วนะแล้วก็ให้โรงเรียนบ้านบอ่อน้อยตำบลเชียงยืนอุดรสร้างหอสร้างหอสมดุด อันนั้นก็3สามแสนบาทแล้วก็สร้างพระเจดีก JD ็เมื่อวานเนี่ยห้าแสน 5, บาทรวมแล้วเงินออกจากวัดเราศรัทธาญาติโยมของเราหมดเป็นล้านกว่าบาทแล้วนะไปวันหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้ามื่นละนี่แหละอันนี้ก็คือจตุ ป, ปัจจัยที่ได้มาครบทั้งสามอย่างนะ ศรัทธาญาติโยบได้สังเกตไหมทังการศึกษาของเด็กด้วยทั้งพยาบาลให้เครื่องมือแพทย์ด้วยทั้งพระพุทธศาสนาด้วยพื้พระเจดีพกเราทาบุญครบทั้ง3อย่างโรงเรียนการศึกษาพยาบาลสุขภาพแล้วก็สร้างเพื่อบูชาทางด้าน จ, จิตใจเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ทางด้านจิตใจอีกต่างหากนะแต่ว่าทบุญสามสามอย่างเลยวัดเราเนี่แหละรวมไปแล้วก็หมดล้านกว่าบาทแต่ว่าเงินที่จะซ่อมสะพานซ่อมกำแพงของหลวงพ่อล่นะอันนั้นก็คงจะค่อยเป็นค่อยไปในเมื่อเราทาบุญไปแล้วนะเราทาบุญไปแล้วเราก็บอกเอย บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนะ่ที่เราทำไปแล้วนะ่ะถ้าว่าเราขาดเหลือขาดตกอะไรวัดของเราขาดเหลือขาดตกอะไรไปชวนหมูมาช่วยวัดเราเด้อหลวงพ่อก็ บ, บอกงั้นนะเหมือนกันนะเพราะอา น, นิสงส์บุญมันไม่ไปไหนมาตรงบกวนเวียนมหาพวกเราเถ้าเราได้มาเท่าไหร่แล้วเก็บไว้เก็บไว้มันก็ไม่ไปหาหมูมันใช่ไหมล่ะอันนี้มันกำลังไปชวนหมูมา คงจะมาช่วยรับวัดเราอีกเหมือนกันนั่นแหละเราขาดเหลือขาดตกอะไรวัดของเราคงจะค่อยเป็นค่อยไปน่แหละการทำบุญก็ปล่อยจะตกปัจจัย อ, ออกไปให้เกิดประโยชน์แล้วก็พร้อมกันก็ให้เป็นไปชักชวนหมูมันม า, <laughs> ม, ามาช่วยวัดเรากันน <laughs> ะ เอาเขาเอ า, เขาเอาเขาเอาแรงเราเราก็ต้องเอาแรงเขาเมื่อเราให้เขาเขาก็ต้องเอาแรงเราใช่ไหมล่ะอันนี้คือเป็นความเป็นธรรมใช่ไหมล่ะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกอันนี้เราเราให้ลูกหลานได้ฟังเพราะเราทําดีแล้วดีจะไปไหนมันก็ต้องมาหาเราถ้าเราทําชั่วชั่วจะไปให้ไปไหนก็มาหาเราเอียงเก่าในเมื่อเราทําดีดีก็ต้องมาหาเราไม่ไปหาใครหรอกนะามาหาพวกเราคนนั้นแหะดีนะ และก็พร้อมกันเมื่อวานในหลวงพ่อก็ได้กราบคารวะหลวงปู่ดีหลวงปู่ท่านก็แข็งแรงดีนะอท่นานออกมาได้กราบหลวงพ่อกระดินนวดแข่งงวดขาท่านดูเส้นท่านกอดขาท่านก่อนนั่นนะ เ, เนือของท่านก็ยังแน่นอยู่นะเพราะว่าหลวงปู่เป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์แต่ความจําของท่านนะท่านยังจําได้นะจําเป็นเยี่ยมเลยนะ อ, อ, อายุ9้าสบห้าปีหลวงปู่เมื่อวานท่านพูดอะไรออกมาโอ้ความจำของท่า น, นดีทีเดียวเลยเออแต่เราก็ไม่ได้อยู่นานประมาณสักสิบวบานทีเราก็กราบลาท่นออ า, าทนออนี่แหละอันนี้ก็คือไปกราบหลวงปู่หลีแต่พร้อมกันหลวงพ่อก็ได้ไปวัดปา่าบรนตาดเมื่อวา น, นพอไปถึงแล้วหลวงพ่อก็เข้าไปกราบพระประธานใหญ่ที่ศาลา แล้วไปกราบหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นสมเด็จพระสังฆราชลูกเหมือนนะแล้วก็กราบหลวงต า, าที่ศาลาใหญ่จากนั้นหลวงพ่อก็มากราบาที่พระราชทานเพลิงจริระสังขารของหลวงต า, ามากราบตั้งจิตลําลึกถึงองค์หลวงตาจากนั้นก็ได้มาดูสถานที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ ท, ที่องค์หลวงตาที่เขาไปตอกเสาเข็มแล้วก็ไปเจาะรูเสาเข็มลงไปเพื่อสำรวจดินว่าในพื้นดินเนี่ยจะมีดินแข็งขนาดไหนที่จะสร้างพระเจดีย์เขาสำรวจอย่างละเอียดนะหลุงพ่อฟังเขาบรรยายเมื่อวานนะเราก็บรรยายให้ฟังท่านปลัดนิคมอนยะู่ที่นั่นท่านรู้เหตุการณ์ตลอด ท่านก็บรรยายให้หลวงพ่อได้ฟังกับพระสงฆ์ได้ฟังแล้วก็มีศรัทธา ญ, ญาติโยมนั่งฟังด้วยกันหลายสิบคนเหมือนกันนะจากนั้นก็ท่านก็พูดว่าได้เจาะเสาเข็มลงไปถึง35เมตรจะไปเจอดินดินดานและดินแข็งก็เลยมีปัญหากันว่าถ้าว่าเราจะวางเสาเข็มเนี่ยเพียงพอวางไป17เมตร จะเป็นเดินถึงดินดานอีกชั้นหนึ่งพอผ่านดินดานชั้นนั้นลงไปเลยจะไปเจอเหมือนลักษณะทรายยลักษณะทรายดินอ่อนลงไปจะไปเจอดินแานอีกที่นี่ก็เลยปัญหาก็เลยมาพูดอนั้นกันอยู่กําลองจะปรึกษากันอยู่เนี่ยวันที่ห้าที่หกเนี่ยเขาจะไปชุมหาเรือกันหลวงพ่อก็นมอบให้ทั้งวิศวะทั้งสถาปนิก เขาจะหาอะไรคอนเซ้าผู้ควบคุมงานก่อสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาด้วยเขาจะปรึกษากันหากันหลวงพ่อเออ ม, มอบให้หลวงพ่อเองเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้นหละแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะสร้างเจดีย์ที่ไหนก็ตามผาแดงก็ตามเขาเขียวก็ตามเมืองการก็ตามที่ไหนไหนก็ตามก็สร้างเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาคือองค์เดียวกันถึงจะสร้างติดกัน ก็คือสร้างเพื่อถวายองค์หลวงตานีก็เหมือนกับพระพุทธรูปเนเห็นไหมตีในแท่นเนี่ยพวกเราเห็นไหมองค์ใหญ่ก็คือพระพุทธรูปองค์รองลงมาก็คือพระพุทธรูปองคเล็กก็คือพระพุทธรูปออไม่ใช่องค์อื่น เ, เราจะไปผิดเฮ้ยเราไปอิดช้าองค์ใหญ่เพราะอง์ใหญ่องค์ใหญ่กว่าอหรืออิดชา้าเพราะเราสร้างองคเล็ก เราก็อิจฉ้าองค์ใหญ่มันเมื่อเราร้างองค์ใหญ่เราก็อิจฉ้าองค์เล็กมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันเพราะไรเพราะพุทธรูกเหมือนกันทั้งหมดเนีมันเหมือนกับไม่เหมือนกับยายขี้เหนียวคนหนึ่งไปสร้างพระพุทธรูปเนึ่งไปสร้างพระพุทธลูกองหนึ่งว่าด้วยเงินของตอนเองเน่ยทีนี้ก็พอไปจุดทูบขึ้นมาก็ไม่อยากจะให้ทูบควัน เป็นลมให้องค์อื่นได้ดมกลิ่นด้วยวเหมืงนกันนะเพราทูบของตนเองใ อ, อ่พอไปจุดที่ไร้กันเนี่ยนะทําเป็นกวยแล้วก็ครอบทูบของตนเองทําให้มันควันทูบออกไปตามรูเล็กๆหนะ่ยให้เป็นลมจมูกของพระพุทธรูปตัวเองเหมือนกันเถอะเพื่อไม่ให้พระพุทธรูปควันทูบไปหาพระพุทธรูปองค์อื่นเนาะ ผลใส่วนพระพุทธโลกพระพุทธรลปของตัวเองเลยเอ่อจมูกของพระพุทธโูกตัวเองเลยควันทูบดำไปหมดเลยเออแต่ว่าอยายขี้ทันทีทีเหนียวนายญายขี้ทียายขี้อิดชามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพระพุทธโลกองค์ไหนก็คือพระพุทธเจ้าตัวแทนพระพุทธเจ้าถึงจะเป็น อ, องค์เล็กองค์ใหญ่ก็คือพระพุทธเจ้านะอันนี้ก็เหมือนกันน่ย พระเจดีย์ปพิพิธภัณฑ์ถ้าเรามาสร้างมาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตากระทุกคนก็เอาร่วมกันอย่างที่หลวงพ่อไปถวายหลวงปู่ลีอย่างนี้แหละหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าสร้างเจดีย์เพื่อบูชาพระคุณหลวงตาหลวงพ่อก็สมทบหลวงปู่บุญมีที่สร้างอยู่ที่เยอะโสตรถ้าใดไปอีกหลวงพ่อก็จะสมทบอีกอันนี้หลวงพ่อยังไม่ได้ไปหลวงพ่อมันไกลมันเหนื่อยนะหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันคิดจะไปกราบท่านเหมือนกัน เมื่ อ, อว่างๆช่วงว่างๆนะนี่แหละอันนี้เมื่อเราไปที่ไหนเราก็ทำบุญสมทบ เ, เพื่อสร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ถวายองค์หลวงตาเราเชิดชูบูชาอดหัวหลวงตานะนี่แหละให้พวกเราทุกท่านนะคณะทายาทโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะอย่าไปคิดสั้นคิดทำอะไรคิดข้อล่อแคแรลคิดกดกดห้วน คนนั้นคนนี้เพื่อจะได้หน้าได้ตาหน้าตาไม่รู้จะออกไปไหนผลในสุดเอาหน้าตาไปเผาไฟทิ้งทุกคนไม่เห็นใครได้ใครบ้างได้หน้าได้ตาหลวงพ่อไม่เห็นใครได้สักคนผลในสุดเอาหน้าตาไฟเผาทิ้งทั้งหมดมีแต่บุญบุญบุญกับบาปเท่านะั้นถ้าคิดท้าใครคิดไม่ดีนะ คิดไปในทางอากุศลทําบาปจะเข้าไปติดในหัวใจของคนนั้นถ้าว่าใครคิดไปในทางที่ดีบุญกุศลจะเข้าไปสู่จิตใจของคนนั้นเพราะว่าคนคนนั้นไม่มีทางอื่นร่างกายหน้าตานี่เผาเผาไฟทิ้งทั้งหมดมีแต่ใจถูกนั้นเท่านั้นเป็นผู้รับบุญรับบาปไปเพราะฉนั้นเราอย่าไปรับบาปนะเกิดมาทั้งทีชีวิตต้องใจกว้างต้องบูชาพระคุณหลวงตา เทิดทูนบูชาพระคุณหลวงตาจะทํำยังไงให้ดีที่สดุดถึงจะข้างสร้างติดพืชไปรอบรอบล้อมวัดปาาา่าวัดตัดเราก็จะช่วยทุกคนที่สร้างขึ้นมาถ้าเจตนาเพื่อสร้างบูชาพระคุณหลวงตาแล้วจะสร้างตรงไหนเราก็เอาสมทบเข้าไปเทิดทูนบูชาพระคุณหลวงตามีกิจเพื่อกิจศีรษะเพื่อประวัติของหลวงตาหลวงตาทําคุณูปการให้กับประเทศชาติ ทำพระคุณอุปการให้กับโลกไม่ต้องพูดเืินไกลละหลวงตาทําคุณให้กับหลวงพ่อนะว่าหลวงตาเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณท่านหนึ่งสําหรับหลวงพ่อเนีเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองจริงบูชาพระคุณของท่านใครจะไ ม, ม่บูชาก็ตามบูชาก็ตามไ ม, ม่บูชาก็ตามหลวงพ่อไม่ได้พูดไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ยุ่งอถ้าไม่มีศรัทธาแล้วไม่ต้องเข้ามายุ่งเราก็ไม่ได้เชิดเชิญ พรอไม่มีศรัทธาทำมาทำไมผู้ที่ผู้มีศรัทธาเออเอาเข้ามาร่วมร่วมกันทำสร้างขึ้นมาเพื่อเชิดชูบูชาพระคุณองค์หลวงตาถ้าใครระลึกถึงพระคุณของหลวงตาแล้วก็เอา้าหลวงตามปคุณูปอะุปการหลวงตาสอนธรรมะให้กับเราสอนศีลสอนธรรมให้กับเราสอนสมาธิปัญญาให้กับเราสอนวิธี ทำตนให้เป็นคนดีพระที่ดีคนที่ดีกิจกรรมมารยาทที่ดีเราได้ศึกษาได้ฟังธรรมะของท่านแล้วประทับใจแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นรูปประธรรมก็เห็นผลข้าพรเจ้าขอน้อมรับในธรรมเทศนาของหลวงตาที่ท่านมีปัญญาสอนพวกลูกพวกหลานพวกเราเมื่อท่านจากไปแล้วไม่มีอะไรที่จะบูชาพระคุณของท่าน นี่แหละมีแต่ของออที่เราจะทำเลยนะด้วยจิตด้วยใจนี่แหละ เ, เพื่อจะทำบูชาประคุณของหลวงตาเรนะาน่าจะคิดอย่างนั้นทุกคนนะออพอทำเสร็จแล้วคนนะั้นต่างงานขึ้นมานั่นแหละบัดเนี่ยเออเราก็มีส่วนได้ร่วมนะอย่างเจดีย์หลวงปู่ลนะีเมื่อสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วนะ เ, เสร็จขึ้นมาแล้วนะ เราก็นะ่ะอโอ้เจดีย์หลวงปูล่ลีพวกเราเอาในรวมสมทบเท่านั้นเท่านี้อออย่างไ ป, ปพิพิธภัณฑ์ก็เหมือนกันพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ลีสร้างออหลวงพ่อก็ไปใส่ถวายหลวงปูล่ลีหลวงปู่ลีท่านจะสร้างพิพิธภัณฑ์ก็ได้ที่สร้างจเจพระเจดียด์ก็ได้จุดแท้แต่หลวงปู่นะเรามอบถวายทันแล้วนะอในเมื่อพระพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วนะ ก็มีลูกมีรูปหลวงปู่อยู่ที่นั่นแล้วก็เข้าไปกราบได้ไปกราบหลวงตาหลวงตาพอเราอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ลีที่บ้านตาหรืออัฐบริขารของท่านแล้วก็ไปกราบไปไหว้ไปดูไปเคารพสักการะบนพระเจดีย์ผาแดงก็เหมือนกันเมื่อสร้างเสร็จแล้วแต่เมื่อวานพระเขาบอกหลวงพ่อไม่ขึ้นไปดูพระเจดีย์เอ้ยผมมองอยู่ข้างนอก ถนนก็เห็นแล้วกําลังขึ้นไปกําลังทําบัวอยู่ก็ขึ้นไปก็เท่านั้นเหมือนกับขึ้นไปข้าวก่อ น, นั่นแหละอคงไม่ขึ้นไปเขานี่ย ผ, ผมมีธุระจะจะรีบกลับอยู่เธอเอาเธ อ, เ อ, เธอในเมื่อมีโอกาสนี่แหละในเมื่อมีโอกาสเราจะค่อยขึ้นไปกราบไปเยี่ยมไปชม เ, เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ยังไปค่อยไปกราบไปไหว้ นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละสรุปแล้วก็คือสร้างเพื่อพระคุณบูชาพระคุณหลวงตาเราไม่ได้อิจฉาตาร้อนใครสร้างใครทำนะเราไม่ได้ว่านะทำใครก็ทำใครเป็นผู้ทำก็ตามเราจะไม่ได้เปมีส่วนร่วมก็ตามแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วนะ เ, เราก็ไปกราบก็คือกราบเจดีององหลวงตาเนะ่ย ถึงใครจะทําก็ตามเลเห็นไหมรูปเหมือนของลงตาเนะี่ยพอสร้างขึ้นมานะแล้วก็กราบว่ารูปเหมือนลงตาแต่บางองค์ก็ไม่เหมือนนะพอสร้างขึ้นมาเราดูแล้วไม่เหมือนลงตาอแต่เหมือนแตนนะ่ชื่อว่ากั้นเลยชื่อลงตามหาบัวยานสัมปโนเลยเหมือนแต่ชื่อแล้วกราบแต่ชื่อท่านก็พอละแต่ดูดูดล้วรอขึ้นมาดูดูล้วไม่เหมือนลงตาเลยนะ อย่างนั้นก็มีมันกันนะลูกหลานนะเออเหมือนแต่ชื่อก็มีฮะแต่เราก็ไม่เป็นไรเราก็กราบชื่อของท่านนะมจึงชื่อลองตามหาบนะัวยาน้ำปนุ่มีองค์เดียวเนี่ยนะในประเทศไทยนอะืมเรากราบชื่อของท่านนี่ก็เหมือนกันนะ่ะเมื่อสร้างที่ไหนก็ตามเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ mm hmm. เพื่อบูชาพระคุณลองตาแล้วก็ไปกราบไปไหว้ในทุกแห่งหนนะั้นะนะกราบพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบ พ่อแม่ครูบาอาจารย์กาบหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่เป็นสิทธญาณสิทธิพระสุปฏิปันโนอุชุยญาญสามีจิเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบแล้วราบได้ทางนั้นอแหละออพ อ, อ, อท่านเป็นพระทหารตาพระธรรมความชั่วเน่ะแล้วกาบไปได้เอ อ, อย่างเทวทัศตเนี่เออเราก็มาด้ดูถูกพระเทวทัศนตหรอก เพราะท่านกะ ไ, ได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเหมือนกันนะพระเทวทัตนะแต่ในยุคสมัยนี้ท่านคิดได้ยังไงท่านจะคิดฆ่าพระพุทธเจ้านะเอ่อจะคิดฆ่าเบียดเบียนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีแต่พระคุณ่ะไม่น่าจะทําอย่างนั้นนี้ก็เหมือนกัน่ครูบาอาจารย์องค์ไหนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ตรงต่อหลักพระธรรมวินัยเราน้อมรับน้อมกราบทั้งหมดน่ะ รู้จักชื่อไม่รู้จักชื่อก็ตามที่ท่านหลวงรับดับขันไปก่อนก็ตามในยุคปัจจุบันก็ตามถ้าองค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้สําเร็จเป็นพระอหารเนะ่ยเราน้อมรับกน้อมกร า, าบทั้งหมดนะั่นแหะเว้นเสียองค์ไหนที่ปฏิบัติเร็วๆเอออันนั้นเรากราบไม่ลงจริงๆนะเพราะกราบความชั่วจะไปกราบได้ยังไงใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราให้น้อมกราบผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้อยู่ในหลักเหตุผลนะ เรากราบได้ทั้งหมดนะนะไม่ว่าองค์ไหนเรารู้จักชื่อไม่รู้จักชื่อก็ตามแต่ถ้าพูดปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วนะเราน้อมรับนุกทั้งหมดข้าไปเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อหลักเหตุผลต่อผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผูดด้ใดสำเร็จมรรคสำเร็จผลเราน้อมรับทุงทั้งหมด ถ้าต่อในไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรพรและพรนำมาในหน้านะ